ปุ่นยั่งสังกัยังห่มันตั้งอยู่เลยขอบุญถ้าบุญบ่มีแต่ถึงมีอาหารอยู่กินมันก็ตายห้าปากมันก็ตายผานุงแฝกอืูุ่งเต็มตัวอยู่มันก็ตายมีเครื่องแจมตัวแหวนเรใส่หู่ไ ใ, ใส่แขนก็ตายบ่มีเหลือทันบุญหมดเลยบ่มีอย่างสิรักษาได้ส่วนเราหาอาหารมาเลี้ยงเสียกว่าเลี้ยงคอยทานคอ ย, ยบุญดอก บุญมันเป็นหลักฐานอยู่แล้ ว, ลวเลขเป็นเงินมาเรียงใส่บุญมันอยู่ใดนี่ท่านพูดอย่างนี้เห็นนี่แ ก, กวักสิพี่แกหน้าข่าวเห็นยังเล่าไปบินบาตรเอาซะแล้วท่นคุยเอาเกี่ยมคูค่คุยกันไปจากนั้นเอาเรื่องเลยแล้วมาคุยระเบิดมาทางนี่หลวง่อเมตกี้เอาสุขทรรนดีดีถึงสัมผัสถึงปฏิคุณดีดี ว่า ม, มีความเัืงร่วมเลยไงไปกันมาแลว้วก็บุกี้แกหน้ายัางสั้นใครจะเล่าสิละข้าสันเสียสันกันไปเนี่ยเราบางหนึน่มันเราเป็นยังสั้นนเนี่ยความจิตเล่นเล่อ ย, อยุปันนี่เสียเห็นท่านให้มันเกิดใจสักตบายสิมันบ่มีด อ, อกพอะจะจินเขาอยู่แต่คิดอยู่แล้วคิดไปท่านมันหอนคิดตั้งหลักตั้งซ้ำ หลังเขายมากจเดินไปขิบอทังวันกัมาเกปกันไปมาเลาะจนกะทั่งบสังวัมเสมือนเลยกับมาสะโฟถ้าทั้งบสังวมก็ทั้งมดไปสะพึดคนที่สุดมากกิเก็จงปลอกเท่าบานไปหาลานเหาเนเดียห้องโคบโปกะกไปสนเร็วมากกิเสียระเบียบสมณกว่าสงบสัทธิ์เหง ผลที่สุดก็คือว่าศาสนาเสียมหรือจว่ามันใสก็เสียมตัวเป็นผู้เหตดตัวงเป็นผู้วามันหลุดเชียมอยู่กับตัหันเนี่ยพรมันศาสนาเระได้อยู่กับบัตรเได้อยู่กับหนังสือเ่าะได้อยู่กับพุทธลูกอยู่กับคนคนส่างเมวัดพระพุทธูกหนังสือนั่นบ่แม่นนี่ยังมาส่างคนต่างกับคนที่เป็นผู้เป็นต้นวัดเป็น่วนพระพุทธลูก็ต่ยังว่าพระยุนเดชโญเดโญก็ยังวาอยู่ มันเป็นพระประยุทธ์กัตถะผุดสรุปมันเป็นพระมันแนียนกรดอิฐกรดท่อมตื่นเป็นที้ระลึกถึงพระของตัวตั้งหาหรือเลยเป็นประพุทธเจ้าปรทชานประสงตั้งหาวันขึ้นไหนป็นเที่ยงเย็นไหระลึกตอนนั้นนี่ละมันโบอนี่หยั่ง่ะเนี่ยตัวถึงสิเป็นพระขึ้นมาได้มันหลบเป็นพระจะหลบดื้อๆขี้เนียนจะหลบดื้อๆเป็น ใครยกไส้กาดจะหลวกคือมันระบบมันไก่เซียนพระดิริปรส่วนปรส่วนมีเซียนพระระบบมีไก่สี่สิบขั้นที่นี่ถ้าพูดถึงปฏิกูลเป็นที่แกหน้ายังละมากะสมาเน่นยังเสียมักกะจิตญาสมาเน่นยังเสียเป็นที่แกหน้าหันอย่ามากะจิตญาขั้ คำเขา่าคนที่ะหนาหางอยู่ในบารเห็นเป็นปฏิกุลคนพี่แกนาเข่าไปเึิงตากเขาเข้าไปเชิงตากไปเที่ยวเป็นปฏิกุลคนพี่แกนากาไปหาถึงกระเพาะอาหารไม่เห็นปฏิกุลเราเราจะพี่แกนาตามกับแง่นียงนั่นเท่ยอยู่ในบาทก็เอาผลกันอยู่แล้วธรรมดาชาวบ้านเขาเอาเขาผนอาหารเขาบอกเป็นปฏิกุลนะเทีย พออาคข้าสนอยังที่เพื่อนหาเห็นปฏิกุณนี่ยเราบอก ว, ว่าแว่ว่า์ไดค่อยสรรดื่มไปขนาดหลวงพ่อพี่เสียหน้าเห็นเป็นปฏิคุณยังมันเป็่นอยู่แล้วสนใาคณะคอตาคนนี้จะเกี่ยวจะคิดืนเท่าไห่บกทิดยเ บ, บิงจี้ในปากตัวนัสินยังได็กแคเอามาจาับบาดจาับสวยแลวเป็นสินยังเด็กอยู่ในปากงามบอสิข้าไปเลยสิเอาคอต า, ปาไปอยู่บ พันบอถามขเขายางซี่ให้มันเป็นที่แกหน้าเนาะจืนต่อไปเราห่าออกมาสิเอาคิดหน่อยว่าพันมันบอกออกมาทายอ่าปท่ชั้นตะวันเราเสียวมาคิดนไอยบอกบนบอกเห็ดเทีงซี่มันก็ บ, บอเห็นปฏิกิริยาแล้วยุติแาากวตีแทะแทบยุติกระชุ่มกริชุ่มอย่งเดียวไ่เสีกอยากปฏิกิริยาแค่ไหนได้ไหมฮะเนี่ยของปฏิกิริยาแทะแต่เรื่อว่ามัน แฝดแฝดยีแพดไรเสน่อเหล่เห็นก็เสียอยากจิปเอา้มัยมาเห็นนะฮี่โหพคุณเนี่่ี่ยได้อีกตอนันเห็นยู่ธลัลวง่เห็นย่เสี่ยงไ่อีกังที่ละยังเสียเล่าลูกตื่นขึ้นได้วาโอ้พฏิที่คุณยีนี่เนาะยังเสียวาขึ้นได้มันลวนจะเล่าที่แกหน้าเองตั้งบนนาฬา เหกัเยังระหว่างเงื่อนตระคำมูเอย่ยมันโมเมนมันบอกว่าเงื่อนตระคำดอกเรารู้เองกันทั้งหมดนั่นะสมัครกสันแค่หละสมัครคือยากได้แค่ตัวู้เองสมับเห็นจะซื้ออยู่ซกบาดฮัเห็นสองกัจิกุลันว่าว่านแ่ว่ามันดีแค่หละมันเ็นไฮดิยังอยู่แล้วหรือว่ามันป็นจิกุลและล่ะเนบาดฮัลงสียไฮด ปกติสมัครเคืองหงหลงพระพุธ ไ, ได้บอกลูกไปเองเงืนดีท่นดีสวะต่างเทอยังวนันนาฬิกาดีไปสมาหูจักแค่ใถ่บอกเนะี่ยพระพุทธเจ้าไมาสอนองเงี้ยรมันมีมีก็ได้สอนตัวสมมาลูกไปแค่พระพุทธเจ้าสอนสมมาผูเห็นลูกนี่ละ ขวามูลตามพระพุทธเจ้าสอนบระพุทธอกคุกอะาริใจบ่ิสุเียบเย็นดอกบ่ิสุิเป็นชุกหอกนี่ละแค่จับเขาในปฏิบัติและุปฏิปันโนะผู้ปฏิบัติดีก็พอทดมันม่มีอย่างปฏิบัติ่ยเกินไรนะ ว่ใจว่าได้ที่จะน่าย่างกล่าวแล้วอ่าเป็นผาสีพระที่คุณเดีวเดี่ยวอยังว่าปฏิบัติว่าปฏิบัติอันนี้เราเสียให้ผู้ใดปฏิบัติดีแล่าเสว่าพระอริยสงฆ์ระบบของภูริเก่าพุนเขียวชุนิพานพุนสีเล่าเสวะประโยชน์อย่างก็เป็นปฏิบัติดีคุณแล้วพุนเขียวชุนิพานแล้วนะะพุนสอนเล้วเป็นผู้ปฏิบัติดีเดียวเนี่ย ดีก็คือดีรูปตัวยังกล้าอย่างังว่าผู้ปฏิบัติดีจิตไปปฏิบัติต่างนอกดีตัวบ่ดีจิว่าดีเลยยังใดอุชูปฏิปันโนผู้ปฏิบัติกงมันกับกงแล้วโกงบังกายบังใจตัวยุบกงเพรมันมีโสจิตไปบังอย่างในหื่นจิว่ากงยังได้อยู่ในอื่นคิดมันพอผู้ยักโจวิสูทธิ์มัตนิจัตโตมะโคตักขนาตเลยนะจิว่าดีเลยกงได้ยังใด กุญแจแบบบ่อนี้จะตัวจะเหน็บเมื่อบ่อีจะตัวทีเป็นง่ายง่ายว่าผู้จะละผู้จะออกได้อยงไรเพราะเห็นปัิกุลเขายังมออกได้เราบ่เห็นถูกเขายังออกได้มันคิดยุคขึ้นแล้วคิดมาแล้วขนาดเลยาจะเป็นออกได้ังไงหรืเป็นมือเผาเปิดจาได้ยังไงจังสัมนธ์อันไหนเรบอเขาหลุดเขาจะยันเดียว มันสไรังไดบางนก็บอกวาเป็นสามีว่าภูร่าใดแล้วไราเี้ยถ้ามันโบเห็นบมันสีละเกียวยังมาละเนี่ยว่เห็นปฏิกุลละว่าเห็นฝุกเห็นบ่เอเกียงละเกียวหยังมาเห็ดมันละได้แต่บเห็น ย, ยังไงยังเราสีละอีกยังไป้ถึงสี่ส่นไม่มันดอกเห็นไม่บานไม่เงื่อนเราคนยังมงั่งเอาไปเตียมเอาไม่ดีมาใสา่ละม า, สาใส่ไม่เก้าเนี่ยมันโบดีแน่มันก็ยังสีเลยได้เนี่ย อันนี้เรายังบบเห็นยังดีแักย่างโบดีแยกย่างนี่สะดีตะพือเราเสียมันละได้ที่ว่าออกได้เช่นเนียวนี่มันบอกว่าได้หรือเช่นเสียแต่เดี๋ยวกันเังนเสี่เดี๋ยวยังมาออกใจมันบอกแล้วว่าชื่อๆออกออกออกออกใจบอกดอกมันก็เห็นแม่มันเห็นแล้วมันออกเองมันดอกเยังจะเอามันที่เสีหน้าที่เห็นมันเห็นที่ของมันลูกมันอยู่แล้วดีมันมันก็ลูกเยอะ่ะ ตัวมันกระูกตัวนั้มันเก็บมันปวดหรือมันบวดีมันกรลูกตัวนมันเสีว่าอยู่หน่อมันบวกลูกมันเสีว่าไปสินี่แหละความเปี่ยนใจในการที่เห็นมันเปลนไปทั้งว่าเป็นผู้ปฏิบัติเชื่องนั่นเลยเนี่ยให้รู้จักตัวว่ามันบกคล้องเลยเลยเนี่ยมันโมเมนผู้ปฏิบัติมันเกียรติสีอยู่สมนักวัดป้าว่าสงบสงบแล้วกี้ คดนะก็สงบว่าผู้ปฏิบัติว่าสงบมันรู้สงบเลยครับบับ่อายปลาดีๆปลามันสงบสิเลยบ่เห็นตัวใหม่ม yeah. ันขูดมัดยาตาดวงหยาบ่เห็นมันรามันหยางบ่เห็นมันเที่ยวมันเดินมีอยางเงยมันกิดดีก่าเหล้าสมระวาจฉง่อยบัดเล่าว่าเป็นโคดมาดีสเนั้นบ่เห็นมันสงบเข้าปลาปลาโง่หยาโถไม่เฉลี มันกนาอายง่ายไรสันแค่นพิงยงดีอายสินแคเนพิงงอย่าฆ่ามุนนะอยากอายมันแค่ป็นพิงยังมันบสงบปันมันแว่าเจาตู่ดีนี่น่ละขันผู้มีอุบายเอามาป็นเครื่องบังคับตัวใดเสมอเห็นว่าตัวบาสงบหลกเห็นว่าอินมาสงบเอามาบังคับใจใดให้ใจสงบเสมอคือสาสานที่ได้ พันนักเพรี or, so folklore, so ่เบายไปเือยๆไปเส้นเดี่ยื่อเสือที่ปลายนางนอดไปเสือเศษไปตัวเหลียวคุยกันไปจากเรามันคุยอย่งละบาดเทศเป็นเทว่าบวชเทศที่เทศทบักคุ้ยเันคุยเลี่ยมบ้านคุยเลี่ยมคนนั้นคนนี้นี่แหละเขาินเขาชัวัวคเินเอาเนิเสียดประโยชน์อย่างเนี้ยมัดเขาตัวเาเป้านีย กินบ่มีประโยชน์พอบบโสดขวบโตเนี่ยมีละมันต่างกันผู้กินเข้าโสดโสดขวบโสดแมมมันจังจะได้ประโยชน์กินเข่าโสไปโสดขวบคนไปเหตุงานในคนงานโสด่เหตุมันจะได้ดีอย่งเนี้ยกว่าไหนก็มี้กันี้แค่ผู้เล่าให้ใคุฟังแล้วเล่าที่นี่อย่างเฮี้เธอปูนปนเชื่อมาอย่างใหม่เล่ามีไปเอาหรอกมันจะได้ประโยชน์ตัวจังใด มันก็เนี้ยจะหอมจะหอม น, นี่เป็นแตัวนัน้นนี่แก๊สใจนะมันหยุบหอมเอหียวแหงไปเสลียมันพอเป็นสีสบายมันพอเป็นสีหยักเห็นใจมันก็เนี้ยจะมันหยอบมันหอมมันเหี่ยวมันแหงไปเสลี่ยเพรามี่สีงบามเลยใจไนใจบ้างขึ้่บานชัวร์เป็นกุศลใดอย่างได กุศนแปลว่าสลับหมดแปลว่าสมมแปลว่าสลัดกุศลแปลว่าสลับนแปลใดละย่างกุศลแปลว่าหนักฆ่ากว่ากุศลแปลว่าเกี้ยวมันคมเกี้ยวหนักฆ่ากว่าจิงมันคมส่นว่ากุศลทั้งหมดเนี่ยหกามันก็คมเกี้ยวมันก็คมแกเกี่ยวบก เนื้อทุกเส้นตัวดึงสากมาหยาภาามันคมมันบาดมือเรียกว่าอากุศลามันใท้สุขจรินอันนี้กับความเป็เหตุบาสมันกับความรูนั่นละนั่นแหละมันเป็นอากุศลามันเห็ดบาสมันตัวห่อนเนี่เล็นยิล่ะความเย็นโมเหตุซามันละมันอาุศาสละเสน่ห์ความรู้นั่ว่ามันกุศลสละเสน่หนี่ล่ะ อาเป็นเสวะย่ามาสร้นงเสียมันมานมันว่าวจะพให้พูดเดียวเอาว่าวเราสร้าดอกว่าวให้มู้สั้งเนี่ยเราเกันมูอยากดีเราสั้งเัวขับไเจ้าออกสร้างเสียงขับไปเจ้ า, ายุขับไเจ้าพูดไปมีบ่แม่ขับไเจ้าพุดบ่เด็กคว่ำหวังให้ผู้สังเด็กควาำตัวะขับไเจ้าเด็กคว่ำว่าวดขัดขึ้นละนี่เป็นสิ่งละ นี่เ็นอีกไป๋จกันกตสงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะสัมมาสัมพุทธัสสะ กัจจังศรีังกูหาศรีังเมจิตังสนัมุสันติมุขคัติมะลบันธนาเอเบจบัจณียเจรเทสนะในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเนจจโรยินอินกิไม่คำต่างๆนั้น